ไอ้ถูกมันไม่ถูกไม่ใช่ง่ายแต่ว่าพลาดอเป็นของง่ายเนี่ยนะก็เหมือนกับซัพย์เนี่ยนะซับซับคือทรัพย์ทุกอย่างในโลกแหละว่างั้นเถอะไม่ว่าพวกกระซั์หรืออริยรัพย์เนี่ยหายากแต่ทําลายเนี่ยแป๊ะเดียวก็หมดและชั้นใดศรัทธาที่มีในพระศาสนาที่เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเนี่ยนะที่จะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยยากแต่จะจะให้หมดเนี่ยไม่ยากมันนะไอ้ซั์คือศรัทธาเป็นต้นที่มันไม่ค่อยจะมาก อันนี้เราต้องหมั่นสังวรว่าทำอย่างไรศรัท ธ, ธาของเราในพระศาสนาจะไม่ลดลงแต่เป็นศรัท ธ, ธาที่เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าให้คนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้ที่ทำลายศรัท ธ, ธาของเราเนี่ยนะเพราะถ้าเราครบคนไม่เป็นหรือเลือกไม่เป็นเนี่ยนะเราก็กลายเป็นว่าหมดศรัท ธ, ธาในพระศาสนาเพราะบางคนเนี่ยนะส่วนกลมประพฤติสารานิยธรรมเนี่ยนะสาธารณโภคีแบ่งปัน อาหารที่ตนได้มาเป็นต้นเนี่ยโดยที่ไม่ไม่แบ่งว่าเราจะให้อะไรบ้างหรือจะให้แก่ใครเน้นพิเศษก็คือให้สาธารณะแก่ผู้มีศีลนะเพราะฉะนั้นสารานิยธรรมเนี่ยนะผู้ทุศีลทั้งหลายก็ไม่เขาไม่ทำอยู่แล้วละแล้วก็ผู้ทุศีลทั้งหลายก็ไม่ประพฤติสารานิยธรรมส่วนผู้มีศีลที่บริสุทธิ์มีวัดประพฤติวัดอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะ เข้าจะประพฤติสารานิยธรรมทีนี้คนที่มีสารานิยธรรมเนี่ยนะมีเข้าของเป็นต้นเนี่ยจะแบ่งปันให้ก็ให้โดยไม่เจาะจงเขาบอกว่าผู้ที่ให้เจาะจงแกมารดาบิดาหรือว่าอาจารย์หรืออุปชาได้ให้สิ่งที่ควรให้ผู้นั้นเนี่ยนะไม่มีสารานิยธรรมแต่เป็นการรักษาความกังวล เนี่ยนะก็คือให้เพราะอะไรให้เพราะมีข้อผูกพันต่อกันวันนี้ท่านเป็นพ่อแม่เรานะนี่เป็นครูอาจารย์เรานะเราก็ให้การให้อย่างนี้เป็นการให้รักษาความกังวลกว่าป้องกันความกังวลใจว่าเออเราไม่ได้ประพฤติวัดไม่ได้อะไรเป็นต้นเนี่ยนะแต่ผู้ที่ไม่มีกังวลเลยเนี่ยนะไม่กังวลกับพ่อแม่เป็นต้นกว่าไม่มีไม่มีข้อเป็นเหตุให้กังวลแต่ตรงนี้ฟังให้ดีนะไม่ใช่ว่าพระ ไม่บำรงมาดาบิดาครูอาจารย์เป็นต้นไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่หมายความว่าครูอาจารย์อุปชาพ่อแม่เป็นต้นก็ตนก็ประพฤติเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันกับกรณีอื่นๆก็ไม่ไม่มีไม่มีการคิรว่าเกียด ก, กันแบ่งปันนะเก็บไว้ซ่อนเร้นอะไรเป็นต้นไม่มีทีนี้ถามว่าแล้วถ้าจะให้เจาะจงเนี่ยผู้ที่ประพฤติสารานี้ทำควรเจาะจงใคร ควรให้เจาะจงแก่พิสูจนผู้เป็นไข้ควรให้เจาะจงแก่ผู้ที่พยาบาลภิกษุไข้พระภิสษุที่เพิ่งเที่ยวมาใหม่หรือพระพิสูจนกลุ่มที่จะเตรียมเดินทางหรือพระพิสูุที่บวชใหม่ยังไม่รู้ข้อวัดสํำรับในการรับสังขารติในการทรงบาทหม่หมผ้าไปบินทบาทเป็นต้นก็ยังไม่ค่อยจะเป็นเนี่ยนะมันถ้าจะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์พระพิสูจใหม่ทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้ ผู้ประพฤติสารานิยธรรมน่ยนะถ้าจะถวายอาหารแก่พระพิสุทั้งหลายก็ยื่นบาดไปถวายทั้งแต่พระเทระเป็นต้นมาลงมาเรียกว่าถวายบาดให้พระเทระพระเทระรับแล้วก็จะเป็นการส่งอาหารต่อๆ่อออออกันไปเนี่ยนะองค์ที่หนึ่งรับไปองค์ที่สองก็รับรับรับรับรับไปเรื่อยๆไปจนถึงโน่นตัวเองก็ไปรับเอาบาด ท, ที่องค์สุดท้ายเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ เมื่อท่านเหล่านั้นถือเอาถ้าถือเอาหมดไม่เหลือเอาไว้เลยทำไงตัวเองก็ไปบิณฑบาตมาใหม่แต่ถ้าหากว่ายังเหลือเหลือเท่าไหร่ก็ฉันไปเท่านั้นก็คือได้ของมาก็ทำบุญซก่อนเนี่ยนะเหลือจากทำบุญแล้วค่อยฉันพระพิสุทั้งหลายไปบิณฑบาตแล้วก็เอาไปทำบุญทำบุญโน่นถึกับพระพระที่กับบวชต่รแรกมาเหลือเหลือเท่าไหร่ตัวเองแล้วค่อยฉันเนี่ยนะ แต่อย่างที่ว่าเนี่ยนะการให้ของเนี่ยก็เน้นพิเศษคือให้แก่ผู้มีศีลไม่ให้คนทุศีลก็ไม่เป็นไรสารานิยธรรมเนี่ยนะทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกนี้บริษัทที่ไม่ได้ศึกษาไม่สามารถบำเพ็ญได้ก็ต้องอยู่กลุ่มที่เขาศึกษาพระธรรมวินยัยมีเมตตาต่อกันเป็นต้นจึงจะบำเพ็ญสารานิยธรรมได้ไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยนะบริษัทหรือกลุ่มที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ย ยากเหมือนกันเพราะว่ามันจะไม่มีเมตตาต่อกันเนี่ยนะก็จะแกล้งกันเอารัดเอาเปรียบกันเป็นผู้ที่ประพฤติสารานิยธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะพิเศษคือเรียกเกี่ยวกับเรื่องข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นสาธารณโภคีอาหารที่เป็นสาธารณนั้นจะต้องอยู่ในกลุ่มที่ผู้มีศีลมีมีกัละยาณธรรมสารานิยธรรมการให้โดยไม่อะไรเนี่ยนะให้อย่างหมดไม่มีเหลือเนี่ย เหลือเท่าไหรต้นก็ฉันเท่านั้นเป็นต้นเนี่ยทำเท่าไหร่บอกว่าเอาให้เต็มเต็มที่เลยก็ประมาณสิบสองปีไม่หย่อนกว่านั้นทีนี้ถ้าเกิดปีที่สิบสองวันสุดท้ายล่ะนะก็พระพิสุก็ที่บําเพญสารานิยธรรมเนี่ยได้ไปบินธบาตได้อาหารมาเต็มบาทแล้วก็ไปวางไว้ที่โรงฉันส่วนตัวก็ไปส่งนา้าพระเทระก็มาถามว่านี่บาดใครบอกว่าบาดของผู้พิสุผู้บําเพนสารานิยธรรมท่านก็เอา อาหารในบาทนั้นไปฉันหมดถ้าหากว่าผู้ที่ประพฤติสารานิยธรรมมาเห็นบาตัวเองว่างแล้วก็เกิดความเสียใจขึ้นเ็าบอกว่าสารานิยธรรมแตกแตกทำใหม่อีกสิบสองปีะต้องทำเหมือนเดิมสิบสองปีแต่ไม่ต้องห่วงหรอกมันจะแตกหรือมันไม่แตกขอให้ทาสารานิยธรรมเถอะเพราะการให้ทานทั้งหลายอันนี้มีประโยชน์แน่ นะการให้ทานเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งพวกทรัพย์ท่านก็บอกว่าพระพิสูจน์ที่ให้ทานกับไม่ให้ทานเนี่ยต่างกันเยอะพระพิสูจน์ที่ที่มีลาบมีปัจจัยสี่มาเนี่ยนะแล้วผู้ที่รู้จักให้ทานกับผู้ที่ไม่ให้ทานเนี่ยแตกกันมากาแตกต่างกันเยอะอย่างเช่นพระพาหิยะเนี่ยอดีตชาติท่านไม่ให้จีวรใครเลยเมื่อท่านไม่ให้จีวรเนี่ยนะชาติหลังท่านบวชท่านก็หาผา้าจีวรจะมานุ่งห่มยาก เพราะหรายพ่อดีท่านไม่ชอบให้หรือไหมพระพิสุทั้งหลายถ้าได้ปัจใจสี่เช่นได้อาหารมาก็ไม่รู้จักแบ่งให้เพื่อนเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายโดยมากท่านเหล่านี้เดือดร้อนพระที่มีลาบสการะเยอะเนี่ยนะบางทีโอ้ยองนั้นทำไมมีเยอะเหลือเกินองนี้ทำไมมีเยอะเหลือเกินองอื่นทาไมไม่เห็นได้บ้างอะ่ะไม่ต้องแปลกใจหรอกใครที่ได้ลาบมากเนี่ยนะคนนั้นคือเป็นนักให้มาก นะเขาเป็นนักให้จริงๆละ่ะเขาจึงมีแต่ถ้าเป็นคนที่ตรนีทีเนี่ยไม่ไม่คิดจะให้แม้แต่คิดยังไม่มีเลยเนี่ยนะที่จะให้พระพิสุทั้งหลายเหล่านี้โดยมากหาลาบยากมากอ น, อนาคค่างเดือดร้อนมากเลยแหละก็อย่างสังเกตดูคนที่มีทรัพย์โดยมากก็เป็นนักให้อยู่แล้วเนี่ยนะแม้กระทั่งทางโลกเนี่ยนะโอ้ยคนนั้นเศรษฐีขี้เหนียวเป็นต้นถ้าเขาขี้เหนียวเน่ยนะเขาไม่มีลูกน้องหรอกเชื่อเหรอไม่มีใครทํางานให้เขาหรอก เขาก็ยังให้รายได้ยังให้อาชีพให้ความเป็นอยู่ให้อะไรตั้งหลายเรื่องอ่ะนะถ้าเขาไม่ให้จริงอะ่ะเขาอยู่เขาเขาไม่มีใครมาทํางานอะไรให้เขาหรอกเพราะทั้งหมดเขาไม่สามารถทําด้วยลําพังตัวเองหรอกแต่เขาก็ให้เยอะแหละเนี่ยนะแต่ก็ให้ตามสมควรแก่ผลสมควรแต่ผู้รับที่จะได้รับฉันใดเนี่ยนะผู้ที่จะได้อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีการ ให้ก่อนพันการให้นั่นแหละจึงเป็นเหตุให้ได้รับพันผู้ที่บริบูรณ์ด้วยลาบสการะเนี่ยนะได้วัตถุรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นที่น่าปรารถนาก็คือคนที่รู้จักให้เนี่ยนะคนที่ให้ก็ปริมาณแห่งความสุขอันหนึ่งเลยก็ดูว่าปริมาณแห่งการให้ด้วยจํานวนที่ให้ด้วยแต่ถ้าคนที่เกิดมาไม่รู้จักให้เลยเนี่ยนะคิดแต่จะเอาตลอดบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ค่อนข้างจะเดือดร้อนเนี่ยนะค่อนข้างเดือดร้อนมาก ผู้ที่ประพฤติสารานิยธรรมเนี่ยนะครบ12สิบสองปีเนี่ยเพราะฉะนั้นจะหมดความริษยาจะไม่ริษยาในลาบใครเลยจะไม่ตรหนีในลาบของตัวเองเลยเนี่ยนะเห็นคนอื่นได้ดีก็ไม่ตาร้อนไม่เดือดร้อนไม่หนักใจไม่ลำบากใจและตัวเองก็ไม่ตรหนีในของที่มีอยู่ผู้ที่มีสารานิยธรรมเนี่ยนะจะเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย จะเป็นที่ชอบใจของคารวาสหรือเป็นที่ชอบใจของพระพิสุทั้งหลายคารวาสก็จะรักผู้ที่ประพฤติสารานิยธรรมมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะพระพิสุทั้งหลายก็จะรักผู้ที่ประพฤติสารนิยธรรมผู้ที่ประพฤติสารานิยธรรมเนีจจ่ยตัดจสี่หาได้ง่ายยิ่งนักท่านบอกว่าแม้แต่ของที่อยู่ในบาทก็ไม่หมดไม่สิ้นที่ไหนมีของเลิศคนเนี่ยจะได้ก่อนจะได้แต่ของที่ดีดทั้งหลาย เพราพระพฤติสารานิยธรรมถึงอดอยากหิวโหยอยู่ด้วยความลำบากเทวดาก็จะมาขวนขวายช่วยรักษาให้อันนี้สำหรับคนที่ให้ทานไว้เยอะเนี่ยนะจนเรียกว่าให้ทานจนขจัดความตรณีออกไปได้ทีนี้พูดถึงกรณีที่ว่าผู้ที่ให้ทานผู้ที่ประพฤติสารานิยธรรมให้ของเป็นสาธารณโภคีอาหารของเขาก็จะไม่หมด แม้กระทั่งสมัยที่เข้ายากหมากแปลงสมัยที่อดอยากเนี่ยนะปัจจัยก็ปัจจัยที่อยู่ในบาปก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นก็ว่างั้นอย่างยกตัวอย่างพระติสสะเทระที่อยู่เสลาคีรีวิหารอาศัยอยู่ในบ้านมหาคีรีอยู่ เ, เมื่อพระมหาเทระห้รูปกําลังไปเกาะ น, นาดเรียกว่านาคทวีปเนี่ยนะนาคทวีปเพื่อไปไหว้พระเจดีย์ พัติสะรูปนี้เนี่ยนะท่านก็ไปบินธบาต ท, ที่บ้านคีรีก็ไม่ได้อะไรแล้วออกไปเมื่อพระเถระเข้าไปเห็นพระมหาเถระเหล่านั้นก็ถามว่าได้อะไรบ้างก็บอกว่าพวกผมไม่ได้อะไรเลยพระเถระก็รู้ว่าพระมหาเถระไม่ได้อะไรก็คือเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเนี่ยนะเข้าไปตั้งห้าสิบรูปแม้แต่อาหารพอจะเปียกบาดก็ไม่ได้ ก็บางทีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็ไปบินผิดหมู่บ้านหรือว่าไปบินทบาทผิดเวลาเป็นต้นเนี่ยจะไป50รูปก็ไม่มีอาหารอ้พระติสเทระนี่ก็บอกว่าท่านครับธรรมดาภิกษุผู้อยู่ประจำเนี่ยนะเขาสะเมื่อไม่ได้ก็จะรู้สภาพประมาณภิกษาจารย์คือจะรู้ว่าแหล่งที่ควรไปบินทบาทควรที่ไหนเพราะฉะนั้นพระติสธีระเข้าไปบินทบาทมหาอุบาสิกาคนหนึ่งที่อยู่บ้านห่างไกลเนี่ยนะ ้านก็อยู่ไกลกำลังจัดแจงอาหารจัดแจงน้านมข้าวสวยยืนคอยพระเทระพระเทระไปถึงประตูบ้านนางก็ถวายอาหารพระเทระนั้นก็ถือบาตรเนี่ยนะถือบาตรที่เต็มไปด้วยอาหารไปหาพระสังฆเทระพระมหาเทระกลุ่ม50รูปะนะทีนี้พระมหาเทระก็มองดูหน้าก็คิดว่าไอ้พวกเราตั้ง50คนไปบินทบาทไม่ได้อะไรเลยแต่รูปนี้ไปถึงก็ไปเอาอาหารมาเลยเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยนะ พระเทระเนี่ยนะจากกิริยาเนี่ยท่านก็รู้แล้วว่าสงสัยตะวานระแวงไปซื้อไปขายไปหาอาหารมายัางไงเนี่ยไปผิดศีลผิดธรรมมาหรือเปล่าอาหารอันนี้พระเทระก็เลยรู้ทันนะก็บอกว่าบิณฑบาตผมได้มาโดยธรรมพวกท่านทั้งหมดอย่ารังเกียจเลยในมาถูกคำถูกวินยัยไม่ได้ไปชอบไปชนไปโคดไปโกงไปซื้อไปขายเป็นต้นมารอกอน่ยนะเสร็จแล้วก็แบ่งอาหารให้แก่พระเทระทั้งหมดตามความต้องการเหลือจากนั้นท่านก็ฉัน เรียว่าอาหารบาทใบเดียวเนี่ยชันได้ห้าสิรูปเหมือนกันเถอะแล้วทุกคนฉันอิ่มหมดเลยพระมหาเถระก็เลยสงสัยว่าท่านแทงตลอดโลกุตระธรรมตั้งแต่เมื่อไร่ผมยังไม่มีโลกุตระธรรมหรอกครับไม่ได้บรรลุอะไรเลยไม่ยังไม่บรรลุเลยเอาแล้วท่านได้ฌานหรือฌานผมก็ยังไม่ได้แล้วคุณมีปาฏิหารหรือปาฏิหารผมก็ไม่มีอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นตั้งแต่ผมประพฤติสารานิยธรรมมาสิบสองปีเต็มแล้วเนี่ยนะ พิกสูนึงผรูปอาหารในบาทของผมผมก็เลี้ยงอิ่มทุกรูปว่างั้นเหรเพราะบุคคลเหล่าเนี่ยเขามีใจกว้างขวางจริงนะบุคคลผู้ประพฤติสารานิยธรรมเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเจียมีจิตใจที่ไม่คับแคบเป็นคนที่คิดหวังแต่ประโยชน์แก่คนอื่นของที่ตัวเองจะได้ใช้แต่ของดีๆแต่ความคิดเนี่ยคิดแต่จะให้คนอื่นแต่จริงๆแล้วตัวเองได้อยู่สบายมากเนี่ยนะอันนี้เป็นอันนี้สองของสารานิยธรรมเพราะฉะนั้น พระพิสุขเหล่านั้นก็อนุโมทนาภาษาทุศัตท์บุรุษอันนี้สมควรแก่ท่านเพราะอย่าลืมว่าคนที่มีสารานิยธรรมเนี่ยไม่ตรนีแล้วก็ต่อไปเนี่ยนะผู้ที่ประพฤติสารานิยธรรมให้ทานไว้เยอะเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะได้แต่ของที่ดีๆหมายคาอว่าของดีที่ควรแก่การใช้บุคคลนี้จะได้รับของดีกว่าคนอื่นเนี่ยนะอย่างพระเถระอีกองค์หนึ่งได้ไปที่สถานที่ถวายทาน เอาความไปพระเทรซองค์นี้อีกนั่นแหละท่านไปสถานที่ที่เขาถวายทานในสถานที่บูชาใหญ่แห่งคีรีพันดะวิหารที่เจติยาบันพศเนี่ยพระเถระไปถึงก็ถามว่าในโรงทานในกิจกรรมการให้ทานครั้งนี้อะไรเป็นของอย่างดีที่สุดของดีที่สุดในเครื่องการให้ทานครั้งนี้ก็บอกว่าผ้าสองผืนผ้าสองผืนเป็นผ้าชั้นดีที่สุดในในในของที่เขามาถวายทาน พระพิสูุรูปนั้นพัติสานนี่ก็บอกว่าผ้าทั้งสองผืนเนี่ยถึงแก่ผมผมมาจจะได้ใช้ผ้าสองผืนอมาตได้ยินฟังตรงนั้นก็ไปกราบทูลพระราชาว่าพระพิสูุรูปหนึ่งนะเขาคล้ายๆกับว่าพูดมันก็โม้ว่าตัวเองเนี่ยจะได้ผ้าอย่างดีสองผืนนั้นมาใช้อ่ะนะพระราชาก็เลยก็บอกว่าเออความคิดของพิสูจนมก็คิดไปเถอะแต่ว่ายังไงผ้าที่เนื้อดีผ้าเนื้อดีอย่างนี้ยังไงก็ต้องเหมาะแก่พระมหาธีระอยู่แล้วก็เลย พระราชาคิดว่าจะเอาผ้าสองผืนนี้ถวายแก่พระมหาธีระอันนะก็มีเจ้าหน้าที่คอยจัดผ้าถวายจัดถวายจัดถวายพระพิสุก็ยืนตามลําดับผ้าสองผืนที่ทูลไว้บนพระเศียรของพระองค์ผู้กําลังถวายยังไงก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปวางที่พระธีระอ น, นะผ้าอื่นๆเท่านั้นแหละที่ได้ถวายพระธีระแต่พอมาถึงพระพิสุน่มผ้าทั้งสองผืนก็มาสู่พระหัตอนนะวางใส่มือพระองค์ก็วาง ที่มือพิษูหนุมเสร็จแล้วก็หันไปมองหน้าอมาตเนี่ยนะยงงว่าทำไมพระนมเนี่ย ไ, ได้ผ้าอย่างดีตัวเองตั้งใจว่าจะถวายพระมหาธีระเนี่ยนะพระองค์นี้หนมหนมอายุส0มสิบต้นต้นเองมันจะเอ๊ะทำไมท่านได้ผ้าเหล่านี้ไป